วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของสัาาตยาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจึงได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดนี้มาวัดเพื่อเข้าหาธรรมะ คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เท่ากับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนนี้จะสอนให้เรารู้จักการพัฒนาชีวิตของเรา อย่างถูกต้องตรงกับความหลักความเป็นจริงจะสอนให้เรารู้ว่าการพัฒนาชีวิตของเรานี้ต้องพัฒนาที่จิตใจไม่ชีไม่ใช่ที่ร่างกายไม่ใช่ที่ลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการพัฒนาทางร่างกาย ทางราบยศสรเสริญสุขนี้เป็นการพัฒนาไม่ยย่งยืนไม่ถาวรต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไปตามสภาพของร่างกายพอร่างกายตายไปราบยศสรเสริญสุขที่ร่างกายหามาได้มากน้อยเพียงไรก็กลายเป็นของผู้อื่นไปไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ต้องแยกออกจากร่างกายถ้ามัวแต่พัฒนาทางร่างกายทางลาบยศสันตเสริญสุขเวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริษัทมาพัฒนาทางจิตใจกันเพราะการพัฒนาทางจิตใจ จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรัาวรนสิ่งต่างๆที่เราพัฒนาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอเราตายไปเราก็เอาติดตัวไปกับเราได้ใจเอาสิ่งที่ใจได้พัฒนาภายในใจของตนไปได้แต่ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่สามารถเอาคนนั้นคนนี้ไปกับใจได้ เวลาที่ร่างกายตายไปคํ hey. าสอนของพระพุทธเจ้าจึงเน้นให้เจริญให้พัฒนาทางจิตใจเป็นหลักแต่ก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของการพัฒนาทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญเพียงแต่ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาจิตใจมากกว่าการพัฒนาทางร่างกาย ร่างกายก็ดูแลพอให้อยู่ตามอัตภาพได้ก็พอราบยศเสริญสุขก็ให้พอมีพออยู่ได้ก็พอคือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าพอหอมปากหอมคอไม่จำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติกองเท่าผูเขามีตาแหน่งใหญ่โตเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นคนธรรมดาก็มีความสุขได้ มีเงินทองแบบคนธรรมดาก็มีความสุขได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นใหญ่เป็นโตเพราะการที่จะพัฒนาให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมหาเศรษฐีนี้มันจะบีบคั้นจิตใจให้เกิดความเครียดต่างๆขึ้นมาและถ้าให้เราวงางแทนที่จะพัฒนาจิตใจก็กลับจะไป ทำให้จิตใจเสื่อมต่ำลงจิตใจนี้สามารถเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำกันนี้เองถ้าเราทำบุญจิตใจเราก็จะพัฒนาขึ้นถ้าทำบาปจิตใจก็จะเสื่อมลงนี่คือหลักของการพัฒนาของจิตใจพัฒนาจิตใจด้วยบุญและ ทำให้จิตใจตกต่ำด้วยบาปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งไปที่การละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตรธรรมคือระดับที่ เหนือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาได้จิตใจจะหลุดพ้นจากวัตตะสงสารหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตาภพบถ้าเพียงแต่ทำบุญไม่ทำบาปจิตใจก็จะพัฒนาแต่การพัฒนาก็ยัง พัฒนาอยู่ในของไตพบอยู่คือพัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นพรหมนะอันนี้ก็จะพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นสวรรค์ชั้นพรหมแต่ก็ยังติดอยู่ในวัตตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะ หลังจากที่ได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วไม่นานบุญที่ส่งให้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก็จะหมดเหมือนกับเครื่องบินที่เวลาก่อนจะออกจากสนามบินก็เติมน้ำมันไว้เต็มเครื่องแต่พอบินไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องแวะจอดเติมน้ำมันต่อเพราะน้ามันหมดถ้าไม่จอดก็จะต้องตกลงมา อันนี้ก็เหมือนกันการพัฒนาจิตใจจึงแบ่งเป็นสองระดับระดับที่ยังต้องเสื่อมและระดับที่ไม่ไม่เสื่อมระดับที่เสื่อมเราก็เรียกว่าโลเกียะระดับที่ไม่เสื่อมก็เรียกว่าโลกุตตะระระดับเสื่อมก็เกิดจากเป็นผลที่เกิดจากการละการกระทำบาปทั้งปวงและสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ถ้าทำสองข้อแรกนี้ได้ก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆและระดับชั้นพรหมชั้นต่างๆได้แต่ก็ยังจะต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เกิดมาล้วก็กลับมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลละการกระทาบาปใหม่ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทำได้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุทางสู่การหลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบทางที่จะนำไปสู่โล ก, กุตรธรรมนำไปสู่การพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนนัทธาวนได้ต้องมีการตัดสูุของพระพุทธเจ้าและเมื่อมีการตัดสูุแล้วก็ต้องมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนถ้าพระองค์รู้เพียงผู้เดียว เราวไม่นําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองอย่างพวกเรานี้ถ้าเราบิดมีความปรารถนาที่ต้องการที่จะหลดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่มีความสามารถที่จะค้นพบทางได้ด้วยตนเองคนที่จะค้นพบได้นี้ต้องเป็นระดับพระพุทธเจ้า ซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักหนึ่งพระองค์นานๆ น, นี่ก็เกิดเวลาเวลาระยะเวลาเป็นกลับเป็นกันแต่ในสมัยปัจจุบันก็อาจจะเอาล้านมาคูณล้านแล้วก็คูณล้านอีกหลายอีกสิบครั้งปีถึงจะได้หนึ่งกลับขึ้นมาถึงจะมีคนฉลาดที่จะมาค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืนและถาวรได้แล้วพอได้ส่งคนพบแล้วก็อยู่ว่าจะนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของสังคมที่พระพุทธเจ้าได้ได้ทรง เ, เกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครสนใจเรื่องการพัฒนาจิตใจ มีแต่สนใจในเรื่องของการพัฒนาทางราบยศสรเสริญสุขพ่อองค์ก็คงจะไม่สอนเพราะสอนก็ไม่มีใครที่จะยินดีที่จะปฏิบัติถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีแต่การพัฒนาทางด้านราบยศสรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกกยนี้จะไม่มีใครอยากจะฟังเรื่องของการพัฒนา ทางด้านจิตใจเพราะว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจนี้มันจะขัดกับการพัฒนาทางด้านลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองเราไม่ต้องดูไกลดูประเทศเราก็ตอนนี้คนจะหันไปทางพัฒนาทางลาบยศสารเสริญสุขกันมากกว่าการพัฒนาทางจิตใจถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อสมัยปุย่าตายายนี่ คนจะเข้าวัดมากกว่าสคนสมัยนี้คนสมัยนี้จะไปพัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดกันยิ่งไม่ค่อยมีคนเข้าวัดกันเท่าไหร่ยิ่งถ้ามีการเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่ความเจริญทางด้านวัตถุนี้ก็จะดึงดูดจิตใจให้ไปหลงไหลกับการพัฒนา ทางด้านราบยศเสรลเสริญสุขกันในสมัยก่อนการเจริญทางด้านวัตถุนี้ไม่ค่อยเจริญเหมือนสมัยนี้คนเก่งไม่มีที่ไปกันก็เลยไปวัดกันสมัยก่อนเป็นสังคมของอของกเกษตรกรรมคนก็ทำส่วนใหญ่ก็ทำไร่ไถยนาปลูกผักปลูกผลไม้ก็พอ เลี้ยงดูชีวิตอยู่กันได้ตามอัตภาพแต่ไม่มีวัตถุต่างๆมาดึงดูดใจให้ไปแสวงหาเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีวัตถุมีข้าวของเยอะแยะไปหมดมีรถห ล, ห, ลหลายระดับหลายราคามีอาคารที่พักหลายระดับหลายราคามีเครื่องใช้ไม้สอยชนิดต่างๆมีเครื่องประดับชนิดต่างๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลากหลายทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาทางด้านราบยศสรรเสริญการพัฒนาทางรูปเสียงกลิ่นลดกันพอมีสิ่งเหล่านี้มาดึงดูดใจใจก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปเข้าวัดเข้าว่าเพื่อไปศึกษาเพื่อให้รู้ว่า การพัฒนาที่แท้จริงนี้ต้องพัฒนาที่จิตใจไม่ใช่พัฒนาที่ร่างกายที่ลาบยศเสนอเสริญที่รูปเสียงกลิ่นลดที่คนสมัยนี้กําลังหลงไหลกันแทบจะไม่มีคนชอบเข้าวัดอกันแล้วสมัยนี้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เป็นผู้ถึงเข้านี้รับรองได้ว่าจะไม่เข้าะ ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางด้านจิตใจที่จะคอยดึงเด็กให้เข้าวัดกันถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาจิตใจไปเห็นคุณค่าในการพัฒนาทางลาบยศสัรเสริญก็จะดึงดูดจิตใจของเด็กอนุชนรุ่นหลังนี้ให้ไปสู่ทางพัฒนาทางร่างกายทางลาบยศสัรเสริญกัน อย่างนี้เน้นการออกกําลังกายให้กล้ามกายแข็งแรงสมบูรณ์มีกําลังวังชาอตอนเช้าออกเบนทบาดนี่จะเห็นวิ่งกันแทนที่จะมาใส่บาทกันกลับไปวิ่งกันอันนี้ก็คนละทางกันละถ้าอยากจะพัฒนาทางจิตใจก็ใส่บาตรเอาเวลาตอนเช้ามาใส่บาท แต่ถ้าอยากจะพัฒนาทางร่างกายตอนเช้าก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายกันอันนี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่จะให้ความรู้แต่อนุชนซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็หลงไปกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนคือพัฒนาทางร่างกายพัฒนาทางราบยศจนรเสนส่งเสริมให้อนุชนได้พัฒนาไปทางด้านนี้กัน การศึกษาก็เน้นกันเรื่องของวิชาความรู้ที่จะไดเอามาพัฒนาราบยศสัรเสริญสุขกันวิชาที่พัฒนาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจก็ถูกตัดไปตัดไปศิลธรรมคำสั่งคำสอนของศาสนาก็ถูกตัดไปเพื่อเอาวิชาความรู้ที่จะมาพัฒนาทางด้านวัตถุทางด้านราบยศสันละเสริญ มาสอนแทนเพราะเพราะหลงไหลไปกับความเจริญทางด้านวัตถุกันเห็นชาติที่เขาพัฒนาทางด้านวัตถุ ก, ก็อิจฉาด้วยอยากจะเป็นเหมือนเขาเห็นเขามีความสุขความสบายทางด้านลาบยศสรรเสริญทางด้านรูปเสีกลิ่นรสก็อยากจะได้เหมือนเขาแต่สิ่งที่มองไม่เห็นที่มากับการด้านพัฒนาทางด้านวัตถุ ก, ก็คือ ภาวะของความเครียดต่างๆของจิตใจที่จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับคือปัญหาทางด้านโรคจิตสุขภาพจิตใจนี้จะเสื่อมลงคนจะเป็นโรคเครียดกันมากคนจะฆ่าตัวตายกันมากพอเมื่อถึงวาระถึงเวลาไปเจอปัญหาไปเจอความเสื่อมของราบยศสรรเสริญสุขก็จะเกิดความเสียอกเสียใจ และไม่รู้วิธีที่จะทำใจรับกับการสูญเสียการเสื่อมเสียก็หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายกันนี่คือผลที่จะตามมาถ้ามัวไปหลงไหลกับการพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาที่ไปพบกับความสูญเสียเวลาไปพบกับความผิดหวัง จะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมามากจ้านอาจจะมีความรู้สึกไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่มีทางด้านการพัฒนาทางลาภยศสรรเสริญนี้ไม่มีทางออกไม่มีใครสอนทางออกให้ว่าเวลาที่เกิดความสูญเสียเวลาเกิดความผิดหวงังนี้จะทำอย่างไรกันนี้คือปัญหาหรือ ผลที่เกิดจากการที่ไปให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนพัฒนาแบบชั่วคราวพัฒนาทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสเงินทองได้มามากน้อยเพียงไรมันก็มีโอกาสที่จะหมดได้ไม่หมดตอนเป็นก็ต้องหมดตอนตายยศตำแหน่งต่างๆก็เช่นเดียวกัน มีโอกาสที่จะหมดได้ทั้งในขณะที่ยังไม่ตายด้วยขณะที่ตายบางคนพอครบอายุเกษียณยศตําแหน่งต่างๆก็ต้องหมดไปเปลี่ยนให้คนอื่นไปเคยเป็นนายพลก็หมดไปนายพันก็หมดไปเคยเป็นตําแหน่งอะไรต่างๆพอถึงวาะที่จะหมดก็ต้องหมดไป เวลาหมดก็มีความรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้เป็นนายกตายไปก็เอานายกไปไม่ได้เป็นประธานาธิบดีตายไปก็เอาประธานาธิบดีไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยราบยศสริเสริญสุขนี่เขาต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นเขาเป็นไป พอนายกคนตาคนเก่าตายไปก็มีนายกคนใหม่ขึ้นมาแทนที่พอประธานาธิบดีคนเก่าตายไปก็มีประธานาธิบดีคนใหม่มาแทนที่คนที่ตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปสิ่งต่างๆที่ได้พัฒนาทางด้านร่างกายนี้เอาไปไม่ได้เลยคือาลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือ เรื่องของการพัฒนาที่ผิดทางที่ผู้ที่ไม่ได้พบกับคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคนจะคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกทางไม่มีใครคิดว่าเป็นการพัฒนาผิดทางกันถ้าผิดทางก็คงไม่ไปกันแต่ไปกันทั้งประเทศไปตั้งแต่ระดับรัฐบาลไประดับทุกระดับ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนารายได้ใช่ไหมรายได้คือเงินทองคือลาบมุ่งเน้นไปที่ยศคือตำแหน่งต่างๆมุ่งเน้นไปที่รางวัลต่างๆแข่งขันเพื่อให้ได้รับรางวัลแข่งขันกีฬาการกีฬาต่างๆชิงเหรียญทองโอลิมปิกกันเวลาได้เหรียญทองสักคนน้นคนทั้งประเทศเฮกันลั่นกันไปหมดพอเวลาไม่ได้ก็ขอพับกัน เสียใจกัน น, นี่นี่คือเรื่องของความหลงไหลถ้าไม่ได้สัมผัสได้พบกับคําสั่งคําสอนของคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องหลงไหลกับการพัฒนาทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสกันทุกคนเพราะจิตใจนี้มีเชื้อของความหลงนี้ฝังอยู่ในใจมาด้วยกันทุกคน ทุกคนนี้เคยหลงไหลกับการหาราบยุศสรรเสริญ ส, สุขมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วไม่ใช่เพิ่งมาหลงไหลในพบในชาตินี้หลงไหลมากันไม่รู้กี่พบกี่ชาติพัฒนาจิตใจด้วยราบยุศสรรเสริญ ส, สุขกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วจนเป็นเรื่องเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยติดตัวมาทุกคน เรื่องการหาราบยศเสริญสุขนี้ไม่ต้องสอนแม้แต่เด็กทารกมันก็รู้เด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆสังเกตดูเดี๋ยวมันก็ร้องหารูปร้องหาเสียงร้องหารสหากลิ่นพอมันร้องพ่อแม่ก็ต้องหานมมาให้ดื่มนะหาน้ำมาให้นะหรือถ้าดื่มนมแล้วดื่มน้ำแล้วยังร้องก็อาจจะต้องหาตุ๊กตามาให้เล่นนะหาของเล่นที่มีเสียงดังให้ได้ยินได้ฟัง พอใจนี้หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าวเวถ้าเป็นเด็กก็เลยต้องแสดงความเหงาความว้าวเวยด้วยการร้องห่มร้องไห้เพื่อให้บิดามานดาผู้ ด, ดูแลจะได้รู้ว่าตอนนี้หนูมีปัญหาหนูมีความทุกข์ใจขอให้พ่อแม่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย พ่อแมก็เลยลองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาลอดดูลองดูเอานี้ยังล้องอยู่หรือเปล่าถ้ายังล้องอยู่ก็ต้องเอาอย่าง้อย่างอื่นมาเดี๋ยวก็พบอพอได้ของที่ถูกใจก็หยุดล้องให้อันนี่คือเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกชนิดจะมีความหลงหลข้างคล้ายกับการ หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันจะไม่มีใครเห็นความสำคัญหรือรู้ว่าเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจว่าเป็นอย่างไรกันนานๆานจะมีนักปราชญอย่างพระพุทธเจ้าที่มาวิเคราะห์ดูการพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านลาบยศสลรเสริญสึกว่ามันไม่ได้เป็นการพัฒนามันไม่ได้เป็นการสร้างความสุข มันเป็นการไปสร้างความทุกข์เพราะว่ามันจะต้องทุกข์เวลาเกิดการพัดภาคจากสิ่งต่างๆที่ที่หามาได้กันสิ่งต่างๆที่ได้มามันก็มีธรรมชาติของมันคือมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับได้มีเจลิแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมได้พอเวลามันดับเวลามันเสื่อม ก็ทำให้จิตใจต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจก็เสียอกเสียใจทุกข์ใจทรมานใจกันนี่คือความสามารถของนักปราชญ์ที่วิเคราะห์เห็นว่าการพัฒนาการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดจากลาบยศดสันละเสนนี้ มันนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปจึงทำให้พระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่อยู่ท่ามกลางความเจริญของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนี้เห็นความเห็นเห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเมื่อทรงรู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเป็นขอของขอทานของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันและพอแก่พอเจ็บพอตายก็จะต้องทุกข์เหมือนกันพระองค์ก็เลยส่งคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไรที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไปเห็นนักบวชได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นพวกที่จะ ไปหาวิธีที่จะอยู่หรือ <c oughs> อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนใจไม่ทุกข์ใจพระองค์ก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะไปไปเป็นนักบวชเพื่อแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจที่จะต้องประสบต่อไปในที่สุดพระองค์ก็ออกบวชเมื่อมี โอกาสที่ <c oughs> อันควรที่จำเป็นจะต้องไปเพราะถ้าไม่ไปในโอกาสนั้นก็จะไม่มีโอกาสถ้าเปรียบก็เหมือนกับเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายถ้าไม่ขึ้นรถไฟก็จะต้องไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะตอนนั้นวันนั้นโอกาสนั้นเป็นวันคลอดของพระราชโอรถของพระองค์พระองค์ก็ทรงตำหนักทรงรู้ว่า มีลูกก็เท่ากับมีบ่วงที่คอยที่จะปลูกมัดจิตใจให้ติดผูกพันอยู่กับลูกนั่นเองจึงต้องตัสดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเพราะถ้าอยู่เห็นลูกอยู่กับลูกความรักความผูกพันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะหนีไปได้ไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปพัฒนาทางด้านจิตใจได้ ก็เลยต้องตัดสินใจหนีเกินไปในคืนนั้นแล้วออกไปอยู่ไปอยู่ที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนทรงศึกษาทรงปฏิบัติถึงหปีด้วยกันจึงได้พบกับทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายและหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ พอทรงได้ดุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจต่อไปพวกเรานี้ทุกวันนี้ก็อาศัยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี้แหละการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าการรู้ความจริงว่าการพัฒนาชีวิตที่ถูกต้อง ที่แท้จริงก็คือการพัฒนาที่จิตใจไม่ใช่พัฒนาที่ร่างกายไม่ใช่พัฒนาที่ลาบยศสรรเสริญและต้องพัฒนาขึ้นสู่ระดับโลกุตระธรรมแต่ตัแตเบื้องต้นก็พัฒนาผ่านทางโลกิยะธรรมไปก่อนขั้นต้นพระ อ, องค์ก็ทรงสอนให้พัฒนาจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดา โดยการละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงรักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาเพราะการไม่กระทำบาปทั้งห้าข้อนี้จะป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำนั่นเองจิตใจถ้ารักษาศีหน้าได้ จิตใจก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์แต่ถ้าเริ่มทำบาปจิตใจก็จะเริ่มเสื่อมลงไปจากมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปสู่ระดับอบายที่มีอยู่4 4. ชนิดด้วยกันคือเดเลชาญเปรตอสูรกายและนรกนี่คือสภาพของจิตใจที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆถ้าทำบาปแล้วจิตใจก็จะ เปลนจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุล ร, ร่างกายบ้างเป็นนรกบ้างจิตใจนี้ก็เปรียบเหมือนกับน้ําเนี่ยน้ําบริสุดพอเราใส่สีใส่กลิ่นใส่รสเข้าไปมันก็กลายเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆขึ้นมา อ, อันนี้อยู่สิ่งที่เราใส่ไปในใจจิตใจเราแล้วเราก็เร่ห์ว่าบุญหรือบาสนี่เองถ้าใส่บาปก็ไปในจิตใจมันก็จะแปลงจิตใจ ให้กายเป็นเดลฉานให้กายเป็นเปรตให้กายเป็นนสุลกายให้กายเป็นนรกพอตายพอร่างกายตายไปจิตใจก็จะไปเป็นสิ่งเหล่านั้นทันทีความจริงเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเพียงแต่ว่าตอนที่ยังไม่ตายนี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนได้แต่พอเวลาตายแล้วนี้เป็นอะไรก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นทันทีเพราะช่วงที่ พุ่ช่วงที่ตายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจได้ช่วงที่มีชีวิตอยู่แต่ยังเปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่าจิตของเรากําลังตกต่ํากําลังไปทางอบายเรายังกลับลดได้หันกลับได้ด้วยการละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวงเช่นมนาในญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมอาจจะเคยทําบาปต่างๆมาและอาจจะคิดว่าไม่มีผลแต่อย่างใด ก็อาจจะเชื่อว่าตายแล้วก็ศูนย์ตายแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปแต่พอมาฟังวันนี้แล้วก็อาจจะเชื่อขึ้นมาว่าตายไปแล้วนี้ยังมีส่วนที่ไม่ตายที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปก็คือจิตใจที่ออกจากร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณถ้ามีบาปพาไปก็จะตั้งไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆ ถ้าได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัชฌานถ้าเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกขึ้นมาพอรู้ถ้ารู้ว่าเคยทําบาปมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด แต่พอมาฟังเทศฟังธรรมวันนี้แล้วอาจจะเกิดความเชื่อก็ยังสามารถกลับรถได้เคยทำบาปก็เลิกทำเสียแล้วก็หันมาทำบุญให้มากเพราะว่าบาปเก่านี้เราล้างมันไม่ได้ลบล้างมันไม่ได้แต่เราสามารถมาเราหยุดทำบาปเพื่อไม่ให้มันมีเพิ่มมากขึ้นได้แล้วเรามาทำบุญให้มันมีมากกว่าบาปให้ได้เพราะเมื่อมีบุญมากกว่าบาป ก็บุญก็จะดึงใจไปในทางบุญก่อนไม่ต้องไปในทางบาปอันนี้ท่านยังตอนตายตอนเป็นอยู่นี้เรายังกลับลดได้แต่ถ้าเวลาตายปุ๊บนี่จิตเป็นอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานทันทีถ้าเป็นเปรตก็จะไปเป็นเปรตทันทีถ้าเป็นเอส่วน ร, ร่ากายก็ไปเป็นเอส่ ร, รกาย ถ้าเป็นนรกก็ไปนรกทันทีในทางกลับกันถ้าทำบุญอยู่เชื่อฟังคาสั่งคำสอนไม่ทำบาปหรือทำทาบ้างแต่ไม่มากเท่ากับการทำบุญเวลาตายไปบุญนี้ก็จะพาให้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆความจริงก็เป็นตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายจิตใจนี้เริ่มเปลี่ยนไปตามอานาจของบุญของ บ, องบาป ท, ที่ทำไว้ ทำบุญไปเรื่อยๆบุญก็จะทําให้จิตใจเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เทวดานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันเหมือนกับะระดับพุทเศรษฐีก็มีระดับหลายชั้นระดับร้อยล้านระดับพันล้านระดับหมื่นล้านเทวดาก็เหมือนกันมีระดับที่มีความสุขมากน้อยต่างกันมีความสุขมากก็อยู่ระดับสูงมีความสุขน้อย ก็อยู่ระดับต่ำนะเกิดจากการทำบุญยิ่งทำมากขึ้นก็จะบีบุญมากขึ้นก็จะพัฒนามากขึ้นเหมือนกับเศรษฐีที่หาเงินมากขึ้นก็จะเลื่อนระดับจากร้อยล้านไปเป็นเศรษฐีพันล้านจากเศรษฐีพันล้านก็ไปเป็นเศรษฐีหมื่นล้า น, นจิตใจก็จะเป็นเทวดาตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายแต่ก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดไปทาบาป แล้วถ้าไปทำบาปที่มีน้ำหนักมากอนันตลริยกรรมนี้ก็จะอาจจะมีกำลังดึงให้ใบอบายแทนก็ได้อย่างพระเทวทัตนี่เป็นเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายแล้วพอพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วไปโปรดแสดงธรรมที่ในวังก็เกิดศรัทธาขอออกบวชแล้วก็บวชแล้วก็ปฏิบัติ ได้อภิญยาแต่เกิดมีความโลภอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าปกครองสูงแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่มีความสามารถถึงแม้จะมีอภิญยาแต่ไม่มีคุณธรรมที่เหมาะต่อการเป็นหัวหน้าผู้อื่นก็ทรงปฏิเสธพอปฏิเสธก็เกิดความอาฆาตพยาบาทพยายามปรองพชนถึงสามครั้ง แต่ทำได้ก็เพียงแต่ทำให้พระบาทห่อเลือดซึ่งก็เป็นกรรมอันหนักเท่าๆกับกรรมอันอื่นที่หนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาาระอรหันต์บุญที่ได้ทามาที่ได้มาบุญจากการบวชจากการมีอภิญญานี้ก็สู้บาปที่มาทำในระยะเวลาสั้นๆนี้ไม่ได้เพราะไปทำบาปที่หนักกว่าพอตายไปบาปนี้มีกำลังมากกว่าก็เลยดึงให้จิตใจ ต้องไปรับบาปในนรกก่อนแล้วพอบาปนั้นหมดถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มารับผลบุญที่ได้ทำไว้ต่อกลับมาบวชใหม่แล้วก็กลับมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปได้นีอันนี้คือเรื่องของจิตใจที่สามารถเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมตามการกระทำของจิตใจคือบาปหรือบุญ ทำบุญก็จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นทำบาปก็จะดึงจิตใจให้ต่ำลงอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าอยากจะพัฒนาให้จิตใจสูงขึ้นก็ต้องทำตามที่วทย้าวส่งสอนเริ่มต้นโดยการละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูบายถ้าทำบาปได้ถ้าไม่ทำบาปได้แล้ว ก็จะไม่ไปเกิดในอบายแล้วถ้าอยากจะขึ้นจากระดับของมนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นเทพก็ต้องทำบุญทาทานเสียสละแบ่งปันทำบุญกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมทำบุญนี้มีหลายแบบหลายชนิดแต่ก็เรียกว่าบุญเหมือนกันจะทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับบุคคลทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันเพราะเป็นการแบ่งปันเป็นการเสียสละข้าวของเงินทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ที่เราไม่ต้องใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาอไปไม่ได้เอาเงินนี้มาทำบุญดีกว่ามาเอาเงินมาพัฒนาจิตใจให้เป็นเทพเวลาตายไปจะได้ไปเป็นเทพ เทพก็เหมือนพวกที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี่พวกที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะไปเพลิดเพลิ น, นกับการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพักอยู่อาศัยตามโรงแรมที่มีมมระดับหรูหรามีอาหารการกินมีเครื่องดืม่มชนิดต่างๆมาให้เสพให้สัมผัสนี่คือการเป็นเทพเป็นอย่างนั้น การเป็นเทพก็เหมือนกับการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อแล้วกับการไปหาเงินหาทองมีแต่ใช้อย่างเดียวเพราะสะสมเงินทองไว้เยอะบุญที่เราทำไว้นี่แ่ะเป็นเงินทองที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าระดับของเทพคือระดับของพรหมก็ต้อง ปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลอีกระดับหนึ่งคือต้องมาถือศีลแปดมามาหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มาฝึกจิตให้สงบทาจิตให้สงบด้วยการจเจริญสติฝึกสติเช่ดการบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะจิตจะสงบเพื่อเกิดความสุขขึ้นมาได้จ้องหยุดความคิดต่างๆ ถ้าจิตยังคิดอยู่จิตก็ยังจะไม่สงบเมื่อไม่สงบความสุขของพรหมก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดังั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะได้สัมผัสกับความสุขของพรหมที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ต้องใช้การ เ, าเจริญสติต้องละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายคือต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองยบเจ็ นี่เป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะมาพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นจากระดับเทพขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ต้องฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานในระดับต่างๆได้พอเข้าฌานได้ก็ถือว่าได้เข้าสู่ระดับพรห ม, มโลกจิตใจก็จะเข้าสู่พรห ม, มโลกที่มีแบ่งไว้สองระดับระดับรูปประภมกับระดับอรูปประม ในแต่ระดับก็มีระดับของความสงบที่ไม่เท่ากันความสุขไม่เท่ากันความสุขจากฌานขั้นที่หนึ่งก็น้อยกว่าความสุขที่ได้จากฌานขั้นที่สองที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่สามที่สามก็น้อยกว่าขั้นที่สี่อันนี้แบ่งเป็นขั้นๆไปถ้าฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นไป ความสงบนี้ขึ้นอยู่กับกําลังของสติเหมือนกับเบรกของรถยนต์ถ้าเบรกรถยนต์ดีก็สามารถหยุดรถได้เร็วถ้าเบรกไม่ดีก็หยุดได้ช้ากว่าแทนที่ตะเบรกปั๊บจะหยุดปับ๊บอาจจะแตะเบรกแล้วต้องโน้นอีอ่สิบามเมตร30เมตรมันถึงจะหยุ ด, ะดนะแสดงว่าเบรกไม่ดีแต่ถ้าเบรกดีพอแตะปุ๊บมันก็หยุดปั๊บเลย อันนี้ก็เหมือนกันสติก็ปเป็นเหมือนเหมือนเป็นเบรกของใจถ้าสติดีนี้พอตั้งสติขึ้นมาปั๊บจิตก็เน่งสงบได้เลยเข้าฌานได้เลยแต่ถ้ายังยังยังไม่สงบก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นพอตั้งสติบุบให้มันหยุดมันยังคิดอยู่ก็ต้องมาเสริมสติกันก่อน วิธีเสริมสติก็คือเช่นคําบริกรรมพุโทโธนี่ก็เป็นวิธีเสริมสติอย่างหนึ่งการเสริมสตินี้ความจริงมีอยู่ถึง40วิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทั้ง40วิธีและไม่ต้องใช้ทั้ง40วิธีเราส่วนใหญ่จะใช้แค่วิธีเดียวก็เหลือเหลือกินแล้วก็คือวิธีของการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไป ถ้าเราหมั่นพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อยคิดเท่าที่จําเป็นจิตที่จะต้องคิดถ้าไม่จําเป็นอย่าต้องคิ ด, อ ย, อ, คดอย่าไปคิดดีกว่าคิดเสียเวลาคิดแล้วจะทําให้จิตฟุง้งซ่านอาจะบางทีทําให้นอนไม่หลับกินไม่ได้มีความวิตกกังวลห่วงใ ย, ยต่างๆซึ่งมาพุโทโธพุธโทโธลบความคิดต่างๆ แล้วจะทำให้ความวิตกกังวลความห่วงใยความเครียดต่างๆหายไปได้แล้วถ้ามีเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอเข้าสู่ความสงบได้ก็จะพบกับความสุขของพรหมที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปลวงแต่ยังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองเพราะจะสงบแต่เฉพาะช่วงที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น พ อ, อ, อจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องต่างๆความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะพัฒนาความสุขของพรหมนี้ให้ขึ้นไปแบบไม่เสื่อมคือให้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้การปฏิบัติขั้น ขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาที่เป็นขั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเนี่ยขั้นอื่นนี้มีครูบาอาจารย์รูปอื่นค้นพบกันแล้วขั้นการทำสมาธิเข้าชานนี้มีคนรู้กันอยู่ในยุคต่างๆอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้มันถาวรไม่ให้มันเสื่อม ไม่ให้จิตต้องตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่มีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้สองคนพบวิธีที่จะทำให้จิตที่ได้พัฒนาไปถึงขั้นพรมนี้ไม่ต้องกลับลงมาเกิดอีกต่อไปก็คือวิธีของวิปัสสนาหรือของปัญญาพระสงคนพบว่าเหตุที่ทำให้จิตใจเสื่อมทาให อาชาญขั้นต่างๆเสื่อมลงมาก็เกิดจากตันหาความอยากนี่เอพอออกจากสมาธิมาพอเห็นเรื่องนั้นเห็นสิ่งนี้เกิดความอยากขึ้นมาจิตก็จะเกิดความเสื่อมขึ้นมาความสงบก็จะเสื่อมลงไปความวุ่นวายใจความกังวลกวาใจก็จะโผล่ ข, ขึ้นมาต่อไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงกลพบว่าถ้าอยากจะไม่อยากให้ความสงบเสื่อมเวลาออกจากสมาธิมา เวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากนั้นสอนใจว่าสิ่งที่ใจต้องความอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกไปเปล่าๆทำให้ใจวุ่นวายไปเปล่าๆหรือความอยากอย่างอื่นก็ตามก็ถ้าได้มาอาจจะได้นั่งใจหวัง แต่ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้ามันก็จะต้องจากไปอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นจะอยู่อย่างถาวรไม่มีถ้าถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นจะนําไปสู่ความวุ่นวายใจก็หยุดมันดีกว่าอย่าไปทําตามเท่านั้นเองเฝิญมันวิธีฝืนก็กลับไปทําใจให้สงบเข้าสมาธิเข้าฌานไป ความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปพอหายไปต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่โผล่กลับขึ้นมาอีกพอไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมามันก็จะไม่มีลายมาทำลายความสงบที่ได้จากเวลาที่เข้าไปในสมาธิความสงบก็จะอยู่ตลอดเวลาทั้งในขณะที่ในสมาธิและในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ความสุกระดับนี้เราเรียกว่าโลกุตละธรรมที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับพระโสดาบันระดับพระสกิดาคามีระดับพระอนาคามีและระดับพระอาหารหันต์ทำไมจึงมีอยู่สี่ระดับก็เพราะว่าความอยากมันมีอยู่สี่ระดับนั่นเองที่ยังไม่ได้กำจัดทีเดียวพร้อมกันหมดพระโสดาบันก็กำจัดความอยากได้ส่วนหนึ่ง พระ ส, ะ ก, าา ส, ะสะกิดาคามีก็กำจัดความอยากได้อีกส่วนหนึ่งพระอนาคามีก็กำจัดได้อีกส่วนหนึ่งมีพระอาหารหันต์ที่สามารถกำจัดทั้งหมดได้หมดความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้พอความอยากที่มีอยู่ในใจถูกกำจัดไปหมดก็จะไม่มีอะไรมาทําให้จิตใจเสื่อมอีกต่อไปจิตใจก็จะ อยู่ในระดับสูงสุดคือระดับพระอารหันต์หรือระดับพระนิพพานนี้เองเป็นจิตเป็นระดับที่ไม่ต้องเสื่อมไม่ต้องลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมมาเป็นชั้นเทพจากชั้นเทพมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกุตตะระนี้ยังมียังต้องเสื่อมลงมาหรือแม้แต่ระดับโลกุตระสองระดับแรกสามระดับนี้สามสามระดับแรกนี้ก็ยังเสื่อมลงมา ถ้าเป็นพระโสดาบันยังต้องเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระสะกิฎรคามีก็หนึ่งชาติพระอนาคามีก็จะติดอยู่กับสวรรค์ชั้นพรหมยังไม่สามารถหลุดออกจากสวรรค์ชั้นพรหมได้ต้องมีพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถดึงจิตให้หลุดออกจากไตรภพได้ไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพหรืออารูปภพ คือภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมทั้งหลายพระอาหารหันต์นี้จิตของพระอาหารหันต์นี้ไม่กลับไปเกิดอีกต่อไปถ้าจิตพระนาคามีนี้ยังไปติดอยู่ภพของพรหมอยู่ถ้าจิตของพระสะกิตาคามีพรยพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่ในกามะภพยังติดอยู่ในภพของเทวดาและของมนุษย์อยู่แต่ไม่ไปที่ที่อบายเพราะว่าพระ อริยบุคคลทุกรูปนี้ปิดประตูบายได้หมดเพราะท่านไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด น, นี่คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจที่จะพาให้จิตใจนี้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วก็จะได้รับความสุขที่สูงขึ้นไปตามลบตามลำดับของการพัฒนา ความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาความสุขเทวดานี่น้อยกว่าความสุขของพรหมความสุขของพรหมนี่น้อยกว่าความสุขของพระอริยบุคคลนอันนี้เกิดจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่มีพระรัตนใจผู้เป็นเหมือนกับเป็นผู้นําทางถ้าไม่มีผู้นําทางเราจะไม่สามารถที่จะ พัฒนาจิตใจแบบยั่งยืนได้เพราะจะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนั่นเองแต่พอเราพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะพบกับตัวแทนของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพรธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งทาหน้าที่แทนกันได้สมัยพุทธกาลก็พบกับพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าจากไปพระตจ้าก็มอบตัวแทนไว้สองสองตัวแทนด้วยกัน คือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้มีการบันทึกจดจำกันเอาไว้และพระอริยสงสาวุกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นผู้ที่มาเป็นผู้นำทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้การที่เรามาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะส่วนใหญ่จะพบกับพระธรรมคาสอน ที่เราได้ยินได้ฟังจากพระต่างๆถึงแม้ว่าผู้ที่แสดงธรรมอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ท่านก็เอาธรรมของพระอริยบุคคลมาสอนคือคัดธรรมะจากพระไตรปิฎกมาหรือไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะได้พบกับพระอริยสงฆ์ที่จะแสดงธรรมจากการที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาซึ่งเป็น เป็นคำสอนที่อาจจะง่ายกว่าต่อผู้ฟังเพราะว่าเป็นคําสอนที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติมาแล้วและสามารถนําเอามาสอนให้ผู้ฟังนี้ฟังได้อย่างเข้าใจได้อย่างง่ายดายง่ายกว่าการที่เอาคําสอนที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์มาสอนเพราะคำํคำคําสอนในคัมภีร์นี้อาจจะ มีรายละเอียดไมค่ครอบคุ้มครบพอไม่เหมือนกับคําสอนของพระอริยบุคคลที่สามารถสอนได้อย่างชัดเจนแม่นยํากว่าถ้าได้พบกับพระอริยบุคคลฟังเทศจากพระอริยบุคคลกับฟังเทศจากพระธรรมดาที่เอาธรรมะในใบลานมาอ่านนี้จะมีความรู้สึกว่าต่างกันฟังแล้วเข้าใจยากง่ายต่างกัน อันนี้แต่ก็ยังสามารถเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ายากหรือง่ายกว่ากันเท่านั้นเองถ้าได้พบกับผู้ที่ได้ปฏิบัติดีได้ปฏิบัติชอบได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเวลาฟังธรรมก็จะฟังแบบที่เข้าใจง่ายแต่ถ้าฟังธรรมจากพระไตรปิฎกนี้อาจจะมีอุปสรรคหลายด้านเช่นด้านภาษาบางทีก็ยังต้องรักษาบะ ภาษาเดิมไว้ใช้สั์เดิมไว้อยู่ซึ่งคนสมัยใหม่เมื่ออ่านแล้วก็จะไม่เข้าใจหรือสั์เดิมในภาษาบาลีกับสั์ในภาษาไทยถึงแม้จะเป็นสั์อันเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันฟังแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนได้เช่นคำว่าเวทนานี้ภาษาไทยสมัยนี้ถ้าเราพูดเวทนาเรามักจะหมายถึงสมเพศหน้าสมเพศหน้าเวทนาหน้าสงสาร แต่คำว่าเวทนาทางบาลีนี้ท่านหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่สามคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาวิญญาณก็มีหลายความหมายฟังแล้วบางทีก็งงว่ามีความหมายอย่างไหดวงวิญญาณก็มีความหมายหนึ่งวิญญาณที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีความหมายความหมายหนึ่งเนี่ยสาบเหล่านี้มันจึงทําให้ผู้ที่ศึกษา ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจะไม่เข้าใจจะงงแต่ถ้าได้ไปฟังจากผู้ปฏิบัติท่านจะแจ้งให้ทราบให้รู้ว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันคาว่าวิ ญ, ญาณดวงวิญญาณนี่หมายถึงจิตใจที่เวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากจิตใจมาเป็นดวงวิญญาณเหมือนกับคนที่เป็นโสตกับคนที่ไม่เป็นโสตผู้หญิงเขาก็เปลี่ยนชื่อ เวลา ย, ยังไม่แต่งงานก็เป็นนางสาวพอแต่งงานก็เปลี่ยนเป็นนางแต่ก็เป็นคนคนเดียวกันยันใดจิตใจก็กับดวงวิญญาณนี้ก็เป็นคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่เราเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนสถานภาพคือเป็นโสดก็เรียกว่าดวงวิญญาณถ้าเป็นคู่มีร่างกายเป็นคู่ก็เรียกว่าจิตใจแต่เป็นตัวเดียวกัน ถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการแจกแจงฟังแล้วจะงงนะแล้วก็วิญญาณที่เวลาจิตใจอยู่กับร่างกายก็มีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งวิญญาณที่ไปรับรูปเสียงกิจรสจากตาหูจมูกลึนกายมาอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันวิญญาณในนี้ก็เรียกวิญญาณในขันห้าในขันจีในนามขันแต่ต่างจากดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้หมายถึงดวงจิตและ ขันที่มีอยู่ในจิตนี่ไปด้วยกันหมดเป็นเป็นทีมไปทั้งหมดเลยขันนามขันกับผู้รู้นี้จะไปด้วยกันเรียกรวมกันเรียกว่าดวงวิญญาณแล้วก็มีบุญแะบาปเป็นผู้ปรุงแต่งให้เป็นวิญญาณชนิดต่างๆเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นดวงจิตดวงใจอันนี้แหละที่ขณะที่อยู่เป็นมนุษย์ก็เรียกว่าดวงจิตดวงใจพอไปทำบุญทำบาปขึ้นมามันก็เลย ปรงแต่งให้ดวงจิตดวงใจดวงวิ ญ, ญญาณนี้เปลี่ยนไปเป็นดวงวิญ ญ, ญาณชนิดต่างๆอันนี้คือความยากเวลาอ่านจากคำภีร์อ่านจากหนังสือบางทีไม่รู้จะไปหาไปหาใครบอกว่าคํานี้มีความหมายว่าอย่างไรก็เลยจะงงกันเช่นคําว่าอธิษฐานนี่ก็มีหลายความหมายแต่ คนเราถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างอย่างละเอียดจะเข้าใจความหมายผิดเพราะความหมายของอธิษฐานที่เราเข้าใจกันก็คือการขอขอพรจากพระอธิษฐานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนอยากมีแฟนก็อธิษฐานขอได้แฟนคนอยากจะถูกหวยก็อธิษฐานวันนี้ขอให้รวยขอให้ถูกหวยอันนี้ เป็นความหมายทางโลกทางที่เราใช้กันอยู่แต่ทางธรรมนี้ไม่ใช่เป็นคํามหมายว่าไม่ไม่ได้หมายคำ ว, ว่าขออธิษฐานนี้แปลว่าตั้งใจคําว่าตั้งใจหรือตั้งเป้าอย่างพระพุทธเจ้าอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าต่อไปนี้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะภาวนาจ ะ, จะปฏิบัติไปจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดอันนี้ก็อธิษฐานเหมือนกันแต่ไม่ได้ขอเป็นการตั้งเป้าว่าจะต้องทำอะไรต่อไปคือจะนั่งภาวนาจะเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจนกว่าจะสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้ายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจจะไม่ลูกจากที่นั่งนี้ไป อันนี้นะคือความหมายของคำว่าอธิษฐานในภาษาธรรมบางทีอ่านแล้วก็จะไม่เข้าใจว่าเวลาพระพุทธเจ้าอธิษฐานนี่พระเจ้าขอจากใครหรือเปล่าขออะไรขอจากที่ไหนท่านไม่ได้ขออะไรจากใครคำว่าอธิษฐานของพระพุทธเจ้านี่คือเป็นคำสั่งที่ท่านสั่งใจของท่านให้ทำต่อไปนี้ต้องทำอย่างนี้ น, ะนี่เรียวกว่าอธิษฐาน อย่างญาตโยมเนี่ยก่อนจะมาวัดได้ก็ต้องอธิษฐานก่อนต้องสั่งใจไว้ก่อนว่าเดี๋ยววันนี้มาวัดนะอันนี้แหละคืออธิษฐานนะไม่ใช่ขอไม่ใช่ขอให้มาวัดถ้าขอมาวัดมันไม่มาหรอกใช่ไหมต้องสั่งมันมันถึงจะมานี่คำวา่ควาคําหมายของของภาษาที่มีอยู่ในพระใต้พระดกเนี่ยพอคนอ่านแล้วมาเจอคําคําความหมายที่แตกต่างกันมันก็งงแล้วนอกจาก มีคำหมายที่ต่างกันแล้วยังมีราชาศัพท์เข้ามาเสริมด้วยยิ่งไปกันใหญ่เพราะคนสมัยนี้ไม่ได้เกิดมากับราชาศัพท์ไม่มีใครรู้พระโอษฐ์พระกันพระเนตรเป็นยังไงแล้วเราไปถามเด็กสมัยนี้ดู้ไหมพระเนตรเป็นยังไงพระกันเป็นยังไงไม่มีใครรู้พอมาอ่านเรามาเจอราชาศัพท์ตอนนี้ยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจใหญ่คนจึงไม่กล้าเข้าหาธรรมะกันถ้าธรรมะแบบนั่งเดิม เพื่อรักษารูปแบบเดิมไว้เนี่ยที่พระท่านเทศภาษาบาลีท่านเทศพระราชาศัพต์นี้เพราะท่านต้องการจะอนุรักษ์คำภีคาสอนไว้การอนุรักษ์มันก็ดีอยู่แต่มันมันไปทำให้การเผยแพร่ความรู้มันเป็นอุปสรรคไปทำให้ผู้ที่จะมาศึกษาเร่างเรียนนี้กลับกลัวกันกลับจะไม่อยากจะมาเรียนกัน มาอ่านแล้วต้องมาหาดิจิเทนเนอมาเปิดดูอีกทีว่าแต่ละคำนี่มีความหมายว่าอย่างไรแต่ถ้ามาฟังเทศจากาพระปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะพูดภาษาคนภาษาของที่ญาติโยมใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าไม่ค่อยมีราชาศัพท์เท่าไหร่นก็มีบ้างบางโอกาสเพื่อให้ให้สมพระเกียรติเท่านั้นเองแต่ถ้าใช้ภาษาธรรมดาได้ก็จะใช้ภาษาธรรมดาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป้าหมายการศึกษาก็ให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่เพื่อมาอนุรักษ์ภาษามันอนุรักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนต่อไปก็จะไม่มีใครจะอ่านอ่านคัมภีร์รู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจเว่าะมีแต่ลาซาซั์มีแต่ภาษาบาลีที่มีความหมายไม่ตรงกับภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและมีพระอริยสงสาวกที่อาจจะมีไม่มากนะักที่อาจจะหายากหน่อยแต่ถ้าหาได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีถ้าหาไม่ได้ก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกไปก็ต้องใจเย็นๆถ้าไม่เข้าใจความหมายไหนก็ต้องพยายามค้นคว้าหาจากแหล่งอื่นดูอันนี้ก็จะทาให้การศึกษานี้ เป็นไปได้ยากแต่ก็ยังไม่ยังไม่ถึงกับสุดวิสัยยังสามารถอาศัยพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้นำทางได้ถ้ามีความต้องการจริงๆต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆคำสั่งคาสอนที่มีในพระไตรปิฎกนี้ก็เหลือเฟือพอเพียงเราให้ผู้ปฏิบัติได้นำออกไปปฏิบัติได้ แต่ถ้าได้ศึกษาจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้มันจะง่ายกว่าเหมือนกับถ้าเราต้องการเล่นกีฬาอย่างนี้ตีกอล์ฟอย่างนี้ไปอ่านหนังสือตีกอล์ฟก็ไปฝึกกับมือโปรอันนี้ใครจะง่ายกว่ากันถ้าไปฝึกกับมืออาชีพเขาสอนวิธีตีวิธีจับอะไรต่างๆถ้าอ่านหนังสือแล้วอ่านไปอ่านมาก็ยังงงได้อาจจะจับผิดจับถูกได้ตีผิดตีถูกได้อันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นว่า เรายัางมีที่เพิ่งยังมีผู้นำทางอยู่คือพระพุทธพระธรรมคาสอนและพระอริยสงสาวกก็ขอให้เราเข้าหาท่านทั้งสองนี้ทางใดทางหนึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักทางเพราะถ้าเราไปเองรับรองได้ว่าหลงอย่างแน่นอนถ้าไม่มีแผนที่พาไปนี่คือเรื่องของการที่เรามาวัดกันในวันหยุดวันทำงาน เพื่อที่เราจะได้เข้าหาธรรมหาแสงสว่างที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีพัฒนาชีวิตของเราอย่างยั่งยืนก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สรุปไว้สามข้อใหญ่ๆนี้คือ 1. ให้ละเว้นจากการกระทาบาปทั้งปวง 2. ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 4. สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ด้วยการปฏิบัติธรรมลืมบำเพ็ญจิตตภาวนาถือศีลแปดแล้วรับรองได้ว่าการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน ก, ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเารวาหาปุราปาริุเรนติสาคลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิที่ตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวสัมมิตจตุสัพเพบรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยถามณีโชติรโสยทาสสะพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตภาวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิศานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สองร้อยหกคนครับ y o u t u ร้อยสี่สิบหกคนครับวิทยุออนไลน์สี่สิบสามคนครับผูปรปังบนเขาร้อยสามสิบคนครับรวมทั้งหมดห้าร้อยยี่สิบห้าคนครับพระาจัรย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาคําถามจากทางบ้านก่อนคําถามฝากถามจากอินบ็อกซ์ค่ะถ้าเราร่วมทําบุญด้วยเงินสดแล้วอธิษฐานจิตในการร่วมทําบุญกับการโอนเงินไปร่วมบุญอยากทราบว่าอานิสงส์การร่วมบุญจะเท่ากันไหมคะหรือดูที่เจตนาของจิตในการทําบุญคะ อยู่ที่ปริมาณเงสิ่งของอเงินทองที่เราเสียไปบริจาคไปพอเราบริจาคไปแล้วถึงแม้ว่ามันไปไม่ถึงผู้รับเราก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าการทำบุญนี้คือการเสียสละการบริจาค ก, การแบ่งปันใครจะรับนี่ไม่สำคัญได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่สำคัญถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจยินดีที่จะเสียสละเงินก้อนนี้ไปแล้ว ไม่ติดใจไม่กังวลใจว่ามันจะไปถึงใครหรือไม่อย่างไรบุญก็จะเกิดขึ้นเต็มร้อยถ้าเราไปกังวลนมันก็อาจจะบั่นทอนคุญที่เราได้ไม่เต็มร้อยเพราะเดยวบางทีมีเงื่อนไข ย, ยิ่งจะทําให้บุญไม่เต็มร้อยเช่นมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องเอาไปเอาไปแล้วจะต้องใส่ชื่อเราอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเกิดเขาลืมไม่ใส่ชื่อเราพอเราทราบเขา แทนที่จะดีใจกับเสียใจเพรนั้นทำบุญอย่าทำด้วยเงื่อนไขอะไรเราจะได้ความสบายใจเต็มร้อยถ้าทำบุญแล้วมีเงื่อนไขนี่จะทำให้จิตใจไม่บุญมันได้แต่มันไม่เกิดเพราะว่ามันถูกความถูกเงื่อนไขต่างๆบดบังเอาไว้กันเอาไว้บุญคือความสุขใจสบายใจถ้าทำบุญแล้วไม่สบายใจอย่าไปทำแต่าทาบุญแล้วก็ กำหนดเงื่อนไขอย่างนู้นอย่างนี้เ อ, อแล้วพอเขาไม่ทําตามเงื่อนไขก็เสียใจโกรธเขาอย่างนี้ทําแบบนี้อย่าไปทําดีกว่าออทําแล้วอย่าไปมีเงื่อนไขทําด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนจะทําก็พิจารณาให้รอบครอบก่อนว่าเงินนีออ้ให้เขาแล้วเขาจะไปทําประโยชน์อย่างนั้นอย่างนีออ้ถ้าพอใจเราก็ทําไปแต่อย่าไปตั้งเงื่อนไขกับผู้รับบางทีผู้รับเขา เขาทำไม่ได้แต่บางทีเขาโลภเขาอยากจะได้เขาก็รับปากไปแล้วพอเอาไปแล้วก็ไม่ได้ทำพอเรามาทราบก็เราก็จะโกรธได้ทางที่ดีก็ถ้าทําบุญก็พิจารณาดูว่าเหมาะสมไหมดีหรือยังถ้าดีแล้วเหมาะสมแล้วก็ทําไปส่วนจะเป็นไปตามที่ตามที่เราคิดหรือไม่ก็มันก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็แล้วกัน อย่าไปกังวลกับมั น, น, นดังนั้นการทําบุญนี้ขอให้เราดูปริมาณของการเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่ผู้รับหรืออยู่ที่ใครทําบุญแบบไหนทํากับใครมันจะได้เท่ากันก็อยู่ที่การบริจาคของเราการเสียสละของเราหมดแล้วเหอไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามเลยแสดงว่าทุกคนฟังแล้วเข้าใจ มีคำถามเน ะ, เ, ะเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปพูดใกล้ๆปากเลยนะจะได้เสียงดังจะได้ยินขอากาสเจ้าค่ะคือโ ย, ยมมีบุญที่ได้ในชีวิตนี้ได้ฟังคำสอนของ ได้รับทราบคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจากพระรหัสสัทัสสาวกเจจึงปรารถนาจะพ้นทุกข์ปรารถนาจะออกจากสังสารวัฏอันทุกนี้ไปสู่พระนิพพานที่องค์ท่านได้สอนแต่ว่าองค์ท่านบอกว่าต้องต้องผ่านศีลแปดก่อนการมีเริ่มจากศีลแปดก่อน เพราะทุกครั้งที่ยมปฏิบัติก็คือถ้ามีโอกาสไปรักษาสิน8ปแต่กลับมารักษาสินห้าเพราะถึงแม้สมรฐานสินห้าตลอดชีวิตแต่ว่าพอมาถึงสินห้าแล้วก็วุ่นวายทางโลกอยู่จะ้ะค่ะก็ปรารถนาจะบวชตลอดชีวิตค่ะบวชชีค่ะตลอดชีวิตแล้วก็มีปัญหาว่าสถานที่ ที่ลูกจะไปบวชนั้นพาลูกไปก่อนก่อนมาชนบุรีนี้ได้ไปขึ้นไปจำํำศีลภาวนาอยู่ในป่าเขาที่วัดป่าแห่งหนึ่งรู้ว่าจะไปบวชอยู่ที่นั่นแต่ตห่างไกลาจากชุมชนมากขึ้นต้องขึ้นเขาแล้วก็ทางว่าเป็นวัดธรรมยุทธ์ซึ่งพระท่านก็ปฏิบัติดีไปจากชอบแต่ว่าใจสังเกตเห็นแล้ว ที่ทางวัดไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมมแม้แต่ผู้จะมาถวายพระทหารยากที่ไม่มีคนทาอาหารถวายค่ะต้องพระสงฆ์ต้องบิณฑบาตเพื่อขบฉันแล้วก็ถ้าลูกไปบวชชีที่นั่นก็จะจ้างสาวชาวแมวอยู่เป็นเพื่อน โยมมีคำถามอะไรนะโยมมีคำถามว่ า, ถ า, าถามว่าถามหลวงพ่อว่าเวลาไปอยู่แล้วจะทำอาหารถบายพระแล้วหขับรถลงมาซื้ออาหารที่เป็นแม่ชีแล้วขับรถได้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็ไม่มีข้อคหนดห้ามเลยแม่ชีไม่ได้อยู่ในธรรมวินัยคำของพระพุทธเจ้า แม่ชีก็ถือว่าเป็นอุบาสิาสกาถือศีลแปดศีลสิบไปดะนั้นในศีลแปดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ขับรถเพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่กับวัดเขาอาจจะมีข้อบังคับเพิ่มเติมของแต่ละวัดที่ไม่เหมือนกันถ้าไปอยู่กับวัดวัดเขาอาจจะให้ถือตามพระก็ต้องถือตามพระแต่ถ้าไม่อยู่วัดอยู่บ้านก็เห็นมีแม่ชีขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียน ไปซื้อกับข้าวกับปลามาทำอาหารกินเพราะว่าแม่ชีนี้ก็เพียงแต่ถือว่าเป็นผู้ถือศีลแปดศีลสิบแล้วก็โกนศีรษะนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นเองไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดแต่จะมีธรรมเนียมของแต่ละสถานที่ที่เราไปอยู่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเป็ น, บบ น, น, ปนถ้าสรุปง่ายๆก็มีมีชีสองแบบชีบ้านกับชีวัด แต่ชีวัดก็ลองทําตามวัดเขาบางวัดเขาก็ไม่ให้ตับจับต้องเงินทองเขาไม่ให้แตะต้องตัวอนับของจากผู้ชายเขต้องใช้ผ้ารับเหมือนกับพระอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นชีบ้านมันก็ไม่มีกฎเหล่านี้กฎเพียงแต่ศีลแปดเท่านั้นเองนก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นชีแบบไหนเป็นชีบ้านหรือเป็นชีวัดเข้าใจไหม อย่างมาอยู่วัดนี่เขาก็มีมีข้อบังคับว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็ต้องทำตามที่เขาบอกถ้ามาอยู่วัดแล้วก็ขับรถไปช้อปปิง้งข้างนอกนี่เขาก็บอกไปแล้วอย่ากลับนะแร้แ <Character> ถวนี้มีที่ต้องเที่ยวเยอะก็มาขออาศัยอยู่เป็นที่พักแรมอย่างนี้พอมาพอเช้าตื่นขึ้นมาก็ขับรถออกไปเที่ยวตามสวนนงนุดแถวสวนสนุกอะไรต่างๆ พอเย็นก็กลับเข้ามาเข้าที่นอนพักผ่อนนี้เขาก็ไม่ให้ทําเนี่ยทำแบบนี้เห็นแต่ละสถานที่เขาก็มีกฎระเบียบบังคับตามตามความเหมาะสมของเขาเป็นแม่ชีก็แบบเดียวกันถ้าอยู่กับวัดที่ท่านมีความเข่งท่านก็ให้แม่ชีถือตามตามพระในกฎต่างๆที่ถือได้ท่านก็ให้ถือ มีคถามหมคาถามชคุณโซมอนค่ะคนเราตายแล้วไปเกิดเลยใช่ไหมคะคำว่าเกิดนี่มันก็เป็นเพียงการเปลี่ยนเปลี่ยนที่จากร่างกายปั๊บมันก็เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆทันทีถ้าจะเรียกว่าไปแล้วเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ยังไม่เกิดเป็นมนุษย์ทันทีไปแล้วก็ไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆก่อน ถ้าเป็นเปรตก็เป็นเปรตไปก่อนถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาไปก่อนจนกว่าบุญหรือบาปที่ทําให้เป็นเทวดาเริ่มเป็นเปรตนั้นมันหมดไปก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคําถามจากคุณเดินตามธรรมะพระพุทธเจ้ากราบขอวิธีคิดเวลาโดนกิเลสหลอกให้เบื่อหนายให้เลิกภาวนาจะสอนจิตอย่างไรเจ้าค่ะ ก็อย่าไปฟังมันสิกระท่านัเองก็รู้ว่ามันหลอกแล้วยังไปเชื่อมันทําไมใช่ไหมเวลามันหลอกเราเราก็พุทโธพุทโธหยุดมันก็ง่ายๆไม่ต้องไปคิดแข่งกับมันะเดี๋ยวมันก็เถียงมาสู้มันไม่ได้หรอกอย่าไปเถียงกับกิเลสเลยแพ้มันทุกทีดังนั้วิธีดีที่สุดก็อย่าไปเถียงเอาพระพุทธเจ้ามาหยุดมันดีกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปพอมันจะหลอกให้ไปเที่ยวกับพุทโธพุทโธไป พอจะหลอกให้ไปดูหนังดูละครก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามานั่งเถียงกันโอหเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องยาวขึ้นมามันก็ห้างเหตุผลนะห่างเหตุผลนี่ไม่เป็นไรเนะี่ยครั้งเดียวครั้งนี้จําเป็น <c oughs> หนังอย่างนี้นานๆจะมีมาสักครั้งหนึ่ง <c oughs> มันก็อ้างไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเราก็อ่อนใจตาม <c oughs> งั้นถ้าเรารู้มันมาหลอกก็อย่าไปฟังมันดีกว่าง่ายที่สุดอย่าไปคุยกับมันอมันจะมาชวนก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไล่มันไปอ่ใช้พุทโธไล่มันไปนะปัญหาคือกลัวมันไม่รู้สิเนี่ยกลุ่ไม่รู้วมันมาหลอกเนี่ยตรงนี้แก้ยากถ้ารู้มันไม่ะมันไม่ยากอถ้ารู้วมันมาหลอกก็เมื่อมันจะมาหลอกเราจะไปเชื่อมันทําไมนี่มันไม่มันมันมาหลอกแบบที่เราไม่รู้เนี่ยมันเชื่อยากกว่า มันหลอกให้ไปทำบุญดีกว่านะอย่างพวกบางคนมาอยู่วัดมาภาวนาเดี๋ยวก็เพื่อนมาชวนไปผ้ป่าไหมกระถินไหมไปสังเวมไปอินเดียไหมพวกนี้ก็ถูกหลอกล้วถ้าถ้าเป็นพวกภาวนานี่ก็ถูกหลอกครับคือหลอกไม่ให้ภาวนาไงกิเลสไม่ชอบให้เราภาวนามันก็เลยมันก็จะบอกให้ไปเที่ยวมันก็มันก็อาจจะอยากไปมันก็เลยหลอกด้วยวิธีอื่น เราให้ไปทำบุญก็แล้วกันไปทาบุญผ้าป่าทำบุญวันตายของครูบาอาจารย์วันเกิดครูบาอาจารย์ไปเปิดโรงทานอะไรองนี้อันนี้มันก็หลอกนะเพราะว่ามันดึงให้เราไปสู่ทำขั้นต่ำนะแต่เราภาวนานี่เรากำลังจะไปพรมโลกแต่พอมาชวนเราไปทำบุญมันเปลี่ยนทางให้เราไปทางเทวโลกนะแล้วพอไปเทวโลกเดี๋ยวมันจะหลอกให้เราไปอีกทางต่อไป ทางที่ดีถ้ามันรั่วมันหลอกมันง่ายถ้ามันรูั่วมันหลอกเราก็อย่าไปฟังมันนั่นเองแล้วก็พูดโทพูดโธไปแต่ถ้ามันมาหลอกแบบไม่รู้นี่ก็ก็บางทีก็ต้องมาน้ําตาตกในก่อนถึงจะมารู้ทีหลังโอ้ยกูถูกหลอกอะ่ะแต่บางทีชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้บางทีก็ต้องมีบทเรียนสอนใจเนี่ยมันต้องมีการผิดพลาดต้องมีการถูกหลอกข้อสําคัญคืออย่าให้หลอกสองครั้งซ้ํากันก็แล้วกันอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ํารอย ถ้าถูกถูกหลอกสองครั้งซ้ำกันกนแสดงว่าเราโง่มาก <laughs> หมดแล้วล่ะถ้าไม่มีอะไรก็อยากคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันก็ฟังกันมาจนหูหูฉีกแล้วก็ <laughs> <laughs> เอาไปพิพจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติกันก็นแล้วกัน